ที่เป็นมัชชนาทําไทยมาขอ น, นั่งหลังจริงๆไม่ได้ปฏิบัติเอา ด, ไไดอาีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขไม่ไปฏิบัติเอาสงกถ้าหวังจะดีนะมันดีบ้างไม่ดีบ้างหวังสุขนะมันก็สุขบางสุขบางหวังสงบมันก็สงบบ้างสลุกค้างบ้าง เราก็จะรู้สึกว่างานปฏิบัติมีแต่ล้มลุกลุกคลานแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงนะสุขก็ชั่วคาวทุกข์ก็ชั่ชวคราวดีก็ชั่วคาวชั่วก็ชั่วคาวอย่างนง่ายก็ทุกวันมีแต่ธรรมะรล้วนๆคามตุกเกิดขึ่งก็มีธรรมะมันดับความุกก็มีธรรมะนั้นมันดับให้ดูก็าอยู่ดีนานๆไปปัญญามีแจ้งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมด ทึางธรจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าสุกษาวอนดีชาวอนดีแล้วแต่ที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้เลยนะที่คุณใช้ะรัพย์้ประคองไว้หน่อยหนะึ่งเพื่อความตื่นเต้นดูออกไหมดีเราเป็นมีเหม็นเหมือนบ้านเออตื่นดีที่เห็นว่าตื่นใ้มันตื่นทาไงดี ดูให้เป็นเห็นใจรักนะคือไม่ใช่ดูเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะดูไปใจใจอยู่สะอาดนะอะไรเกิดขึ้นใจเป็นแค่คนดูใจเป็นคนดูลำครเห็นใจเห็นใจเคลื่อนไหวใจใจเป็นคนดูสบายๆนะดีก็ได้ร้ายก็ได้ไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกดอนชับไปวัดภาพว่าพระอรหันต์นี่คือคนที่ฝึกให้จิตดีถาวร สุขาวอเป็นบ oh yeah. ุญเป็นกุศลสาวอนเลยคิด่งาวอนสาวอนนะสาวอขัดกับคำว่าอนิจจังกยเออได้ปล่อยดีแล้วคิดทำอยู่ดีนะทั้งสองคนเออคิดบ่อยไม่เป็นไรอางเงี่ยโลงนานถ้าเคยบ่อยก็แส่งว่าไม่นานเพิ่มตัวไปคิดทั้งวัน น, น, นั่นดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ที่เราเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าจิตไม่เที่ยงเคืนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้นั่นแหละดีไม่ใช่ไม่ดีถ้าคนไหนจิตเที่ยงเลยก็อาการหนักบางคนเที่ยงมากๆหอวงพ่ออยน่นี้ต้องปล่อยไปไม่ใช่ทุกคนเปลี่ยนได้นะบางคนที่เรียนต้ คนไหนติดการเที đó, ่งมากๆใี 8, 8้รยนยาที 8, 8่ทาอยู 8, 8่นะตอมเลยที่ถูกแล้วดูไปแล้วที่เราหนที่สิของรู้แล้วเราะรูว่าไไม่มีความรู้กไม่เป็นไรมันจะยังไงก็รู้ไปอย่างน้แหละคือบางตั้งตามองเห็นแต่มันไม่ทางานต่อ ก็ไม่มาถึงใจก็ไม่มีสุดทุบกู้ตนกู้ตนไม่มีแต่อย่าไปทําให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดนะนนบางคนเป็นอย่างนี้นท่้งไร้ความรู้สึกต้องรู้สึกไม่ดีมันไมนิ่ค่ะอย่าให้มันนิ่งตลอดแต่ตอนนี้ไม่นิ่งดูออกไหมตอเนี้ใจมันจะตําส่วนรู้สึกไหมมันจะรำเทืองพันให้ดูลงไปให้รู้พันมันไม่ได้นิ่งจริง ดูความรู้สึกดความเห็นใจะสุบุตสุนุตงานย <h <h <h <|ja|>> <h <h <h <h <h ุ่งงานยุ <h <h <h ่งไม่ใช่ข้ออ้างเพราะงานยุ่งก็ปฏิบัติได้แล้วเราดูมกางเนีิงมกลางมาดีแล้วมันกลางเพราะปัญญามันไม่ได้กลางเพราะเราบัตกลับ ตาข้อปัญญาเป็นเห็นทุกอย่างเกิดและดับในที่สุดใจก็เป็นกลางดีนะแล้วงไงดีเนี่ยแต่ชอบก็ไม่เป็นไรชอบก็รู้ว่าชอบนะไม่ต้องแกล้งไม่ดีใจไม่ <c oughs> ใช่เจอเพื่อนก็ทำเป็นผีดิบนะไรความรู้สึกทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะบางคนภาวนา ทำร่างกายให้เป็นผีดิบให้ชื้อชื่อทาจิตใจให้เป็นผีดิบอีกชื้อชือีกไม่ได้เป็ น, นอย่างแล้วดีใจหรือว่าดีใจความดีใจก็อยู่ชั่วคราวเหตุใจก็ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็ชั่วคราวในที่สุดเปญนาแจ้งทุกอย่างชั่วคราวอย่างนี้ง่ายดีสุตที่ทับิตนี้ไม่ได้มีแต่ตานี้แต่งนี่ตั้งมันดูออกไหม แต่ไม่ตั้งมั่นจะรู้ว่าไม่ตั้งมั่นรู้อย่างที่ก็เป็นได้แล้ว <Gore> ส่งไปให้แจ็คหอยแจ็คคือการรู้ตัวปที่หกเป็นการทางออเรารู้วทำนักผููีรที่นาัง ลงล่างมีความสนใจที่ขาดถ้าฟอะไรที่เกิดดีแล้วสติตัจริงเกิดขึ้นมาก็เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจอย่างเดียสติตัอจริงต้องเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดถ้าสติที่จงใจให้เกิดไม่มีกําลังจริงดงั้นจิตที่ใช้ทํำวิปัสสนาเนี่ย ถ้าพูดในแง่ปริยัตินะมัมีจิตยอยู่สองดวงเพราะนั้นที่เราใช้ทำนิพพสนาเป็นจิตที่เป็นกุศลเรียกมหากรุณาธิคิตประกอบ ด, ด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ชักชวนให้เกิดเกิดเองเกิดเองเนี่ยอาจะรยแขกเรียกอาสังสาริยังเกิดเองแต่ปางดวงก็มีความตกขปางดวงก็เป็นบิดาข้าที่สึกไหมมีสองงาน มีจิที่มีความสุขจะเป็นอเบกขาที่สองอันไม่มีสามอันมีแค่สองเพรฉนันทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยความทุกข์จะต้องร่วงหล่นไปทันทีนะไม่มาคะะาลักาสังมีในใจเราความทุกข์ดับทันทีแล้วก็ความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับกุศรจิตเท่านั้นจิตที่เป็นกุศลจริงๆมีสติตัวจริงขึ้นมาโดยเฉพาะถ้ามีสติ แล้วประกอบด้วยปัญญาและเกิดโดยไม่ได้ชวนให้เกิดไม่ได้ชักชวนให้เกิดไม่ได้จงใจให้เกิดจิตเดียดวงนี้มีกำลังมากเป็นจิตที่ใช้ทำพิพิธศนาแต่ถ้าจิตบางดวงมีสติเฉยเฉยไม่มีปัญญาเช่นเราเพ่งเอาเพ่งเอากำหนดเอากำหนด เ, เอานะมีสติไม่มีปัญญาแอบเกิดโดยชักตั้งใจให้เกิดด้วยจงใจไปกำหนดพยายามจะ ก, กำหนดให้สติเกิด จิตอย่างนี้ไม่มีกำลังถ้าพูดแบบปริยัตินะจิตที่เป็นมหาภูตนและจิตยานสัมปยุทธ์ ป, ประกอบด้วยปัญญาเป็นไตรักษณ์อสันขาลิกังไม่ได้ชวนให้เกิดเกิดเองแต่ว่าทำไมมันถึงเกิดเองได้เพราะว่ามันจำสภาวะได้แย้งคิดบอกใช่ไหมพอสภาวะที่จิตมารู้จักเกิดแนละสติเกิดเองสติเกิดเอง อันตีที่สป็สีเกิดรู้สึกไหมจิตใปกิริสุนดับกันรู้สึกไหมกิเลสดับอันทีรู้สึกไหมมีความสุขรู้สึกไหมใจอ่อนโยนรู้สึกไหมใจเบาไม่ใช่หูเบานะไม่ใช่ใจเบาแบบโลกๆนะใจมันเบา จ, จิตใจนุ่มนวลอ่อนโยน จ, จิตใจปราดเปรียวไม่ซึ้งไม่ซื่อจิตที่เป็นกิรินเป็นอย่างนี้มันก็กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วย เห็นความจริงของกายของใจเห็นใสรักจะเห็นเลยเส่นใจเราลอยไปแวบรักสติราลื่อนรับความใจลอยดับทันทีที่เกิดรู้สึกตัวยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในมีความสุขต่อไปจะมีความสุขเยอะนะเห็นหมาเห็นแนวเห็นดินป้าอากาศยิ้มได้หมดเลยนะเออเหมือนลวงพ่อแต่ก่อนอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะเป็นดาวยิ้มประจำธรําเนียบ เดินไปไหนนะมีแต่ความสุขอะ่ะามันมีสตินี่มีความสุขทั้งวันเลยคนอื่นเขาหยนิงหน่อยๆน่อยก็มีความสุขตอนก็ปฏิวัติกันนะผู้คนตกอตกใจหลวง่ไม่ตกใจทหารต่างจังหวัดก็ไปยึดไวนะ้ต่นี้ทำไมปาบเลยเดินเข้าไปคุยแต่ทหารหารู้ไหมขับเร็วไปกูราาแล้ว รู้ไปเจ้าอยู่ว่าตัวเด็ดตวรแล้วทาหางสังง่งเงนะี้ยเนี้ยเงี้เ้จับหลวงพ่อไม่ทันเลยตื่นออกมาดีเฉยเลยเพนั้นภาวนาแล้วจะมีความสุขไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งมีความทุกขภาวนาแล้วจิตใจปลอดโป่งโล่งเบาไม่ใช่ภาวนาแล้วเครียดแล้วขี่เป็นถามแทนไม่ได้ ท uh um ja yeah. yeah. um, ี่มีควาายในที่ที่เราเพราะว่าถ้าเราลืมความหมายน้มันจะนควาที่เราเข้าถึงดี่ทำเลืความหมาอะไรเ่หราลมความหมยในชีวิตแเดิม้วก็รู้ว่าความรีชีวิตอย่ในแต่แต่ตอนนี้ผมเขาใว่าทางขึ้นสังเกตุอย่างนี้แต่้องรอเขาเ ดูไปน้ะตัณหาเนี่ยเกิดตลอดเวลาตัณหามีหกตัวตัณหาที่เราเรียนทางปริยัติมีสามตัวนะการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาแต่ตัณหาของนักปฏิบัติมีหกตัวเรียกว่ารูปตัณหาอยากดูรูปถ้าตัณหาอยากฟังเสียงถ้าตัณหาอยากได้รสอยากได้กลิ่นอยากได้สัมผัสทางกายแล้วก็ทำมาตัณหาอยากได้อารมณ์ทางใจที่เื้อเพลิ แล้วตัณหามีหกงานตัณหาเกิดขึ้นมามันจะปักให้ใจดิ้นตัณหาเป็นผู้สร้างภบใจจะดิ้นไอ้ใจจะดิ้นใจก็มีความทุกข์ขึ้นมามีพบมีชาติมีทุกข์ขึ้นมาเังนั้นถ้าเราเห็นตัณหาได้นะตัณหาดับสนิทใจก็ไม่ดิ้นใจก็ถึงความสงบสุขดีได้เห็นตัณหาได้ดีนะ้วแต่ก่อนสลวงข้อหัดภาวนานะใหม่ๆ แล้ก็นึกดูวคนในโลกเนี้ยก็เห็นว่าความไม่สมอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้สึกไหมพวกเราจะรู้สึกถ้าอยากเราได้สมอยากนะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่สมอยากเราทุกข์คนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วๆไปรู้สึกได้แค่นี้คือไม่สมอยากเราทุกข์แต่พอเรามาลงมือปฏิบัติเราพบว่าถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์สมอยากคือไม่สมอยากนะถ้าอยากก็ทุกข์เลย เอออยากมากทุกมากจากน้อยทุกน้อยไม่อยากไม่ทุกเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนี้นะเพระว่าใจที่เราไม่อยากมันเนี่ยคือการื่นขึ้นใช่สิเออมีความอยากเข้าเกิดความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็เกิดความอยากคือยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเนี่ยปัญหามันเป็นอย่างนี้นี่ยคือสังสารวัตยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้น แล้วก็ดิ้นไปเรื่อยๆพวกเลสสโมไทยยิงเอาใส่กันเลดยิงเอาใส่ก็อยู่อย่างนี้เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาทุกสรรสารวัตรทุกอินทีย์สุด ส, ส, สุดแต่ว่าเราภาวนามากๆไปมัน ต, ตัวทั่วไปเห็นว่าไม่สม อ, อยากแล้วทุกพวกเราเห็นว่าถ้ามีความอยากแล้วทุกแต่พอภาวนาจนสัญญาแจ้งสุดขีดนะจะอยากหรือไม่อยากอันท่าก็เป็นทุกมันทุกโดยตัวของมันเองนี่นตรงนี้ลึกที่สุดละ จะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพเจ้าสอนบอกว่าว่าโดยย่อโดยสรุปอนุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นเติดทุกขันธ์ห้านี้แหละเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ตอนนี้เราปัญญาอย่างไม้ถึงเราเห็นว่าขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าใจมีความอยากใจก็ทุกข์ใจไม่อยากไม่สุขเราก็นึกว่าเราเข้าใจธรรมะนะมันก็เข้าใจเหมือนกันเข้าใจครึ่งหนึ่งรู้แล้วว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข แต่เรายังไม่รู้ธรรมะอีกข้อหนึ่งเราไม่รู้ทุกนั่นแหละจึงเกิดสมุทัยเกิดตันหาททำไมเราถึงต้องมีความอยากที่จะให้กายในี้ใจในี้เป็นสุขอยากให้กายในี้ใจในี้คนทุกข์เพราะเรามีความไม่รู้มีอวิจชามีความหลงผิดเราคิดว่ากายกับใจคือตัวเราพอมันเป็นตัวเราเราก็ออยากให้มันสุขอยากให้มันคนทุกข์เรามีความอยากเนก็ดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ พ อ, อยิ่งทุกข์ก็เลยยิ่ดิด้นหนักก็บีบมีคนตัวๆไปก็พยายามต่อ ส, สู้เพื่อจะได้มีความสุขคนตั่วๆไปหรือสัตว์ทั้งหลายนะคิดว่าถ้าสนองความอยากได้แล้วจะมีความสุขนั้นจะวิ่งหาอารมณ์มีความอยากในอารมณ์หรืออยากดูอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอะไรอยากคิดเรื่องสนุกสนุ ก, นกคิดว่าถ้าอยากได้ได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขได้ตอบสนองความอยากและจะได้สุข พวกคนเข้าวัดเห็นว่าถ้าบังคับกายบังคับใจควบคุมกายควบคุมใจไว้ได้ดีๆแล้วสุดถ้าใจเราควบคุมไม่มันไม่อยากแล้วนะั่นมันจะมีความสุขแต่ถ้าภาวนาจนสุดขีดที่เห็นเลยกายนี้ใจนี้ติดทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ถูกบ้างสุขบ้างแต่พวกเรายังไม่เห็นเราไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังไม่แจ้งอริยสัจ ถ้าแจ้งอานิจซัตกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอเห็นว่าเป็นทุกข์ล้น้วนความปล่อยวางมังจะเกิดถ้าเห็นว่าสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ปล่อยวางจะวิ่งหาความสุขไปเรื่อยจะวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยงั้นเรียนรู้นั้นเรีนรู้กายเรียนรู้ใจที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วเรียนรู้ไปเรื่อยจนปัญญามันจะแจ้งไปลาดับลําดับไปอันนี้เหมือนเราเดินในเครื่องทาม ซึ่งทางเราก็เห็นว่าถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ถ้าเรียนได้ตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทเรียนถึงเอาวิชานะาวิชาไม่ใช่เรียนแค่ตัณหาแต่มันไปเองนะนอัญญามันแจ้งเองไม่ต้องรีบร้อนจะดูไปอย่างที่ดูงันหนึ่งมีควรก็ไปเรียนรู้ถึงเอาวิชาเอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจอริยสัจข้อแรกที่ไม่รู้คือไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์คิดว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้ารู้เมื่อไหร่เขว่างเมื่อ น, นั้นสลขงพ่อนะภาวนาไปแล้วก็มาบอกพวกเราเรื่อยๆบอกว่าถ้าไม่รู้ทุกข์นะเกิดสมุทยัยเกิดตัณหาแต่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาหรือสมุทัยจะถุกละอัตโนมะมีโรอจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา การรู้ทุกอย่กระทั่งล้าสมุทัยแจ้งนิโรธเรียกว่าอริยมะมีความรู้ความเข้าใจแค่นี้นะความรู้ความเข้าใจอย่างนี้มีตาลูกวัดหลกงพ่อมีนักศึกษาอยู่คนกว่าเก่งคนกว่าเวลาหลวงพ่อพูดอะไรนี่น่าจะสงสัยว่าโม้เอวเองรึเปล่แจะแอบไปค้นพระไตรปิฎกหลวงพ่อเลยสบายแล้วมีกองหลังคนพระไตรดิฎกให้ คนไปคนไปดูไปหาเจอในเล่มที่สิบเก้าชื่อขวามปฏิสูตรขวามปฏิสูตรเนี่ยเริ่มต้นบอกว่ามีพวกพระมหาเถระพระอรหันตรทั้งหลายท่านคุยกันท่านบอกว่าท่านไปบิณฑบาตมานะผ่านเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันที่วัดท่านบอกว่าก็ไม่รู้ทุกนะั่นแหละจึงเกิดสมุทยัย ถ้ารู้ตุงแกมแจ่สมุทัยก็ถุกละ น, นี่รสก็แจ้ม น, นี่คือมรดกพูดกันเองทัตระวันปฏิทัตตะวันปฏิเนี่ยเป็นพระรุ่นแรกๆเลยนะเป็นกลุ่มพระยศกุลภูนกลุ่มพรยศเป็นเพื่อนพระยศออกมาบวชด้วยกันทัตระวันปฏิท่านก็บอกว่าผมได้ยินมาต่อหน้าจากพระอวดของพระพุทธเจ้าได้ยินเงินด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้ารู้ทุกก็เป็นอันล้ะสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมรรคเนี่ยเจริญอันนี้เหมือนที่พระท่านคียกันพระเจ้าบอกต่อไปอีกถ้าล้ะสมุทัยได้นะก็รู้ทุกแจ้งนิโรธเจริญมรรคหนึ่งถ้าแจ้งนิโรธได้นะก็เป็นอันรู้ทุกล้างสมุทยัยเจริญมรรคถ้าเจริญมรรคได้นะก็รู้ทุกล้ะสมุทัยแจ้งนิโรธเนี่ยดูภูปัญญาของพระพุทธเจ้านะ ขนาดนั้นเนี่ยพวกสาวบไปได้นิดเดียวสาวบกว่าภาวนาขนาดไหนนะรู้ไม่ทั่วถึงทาที่พระพุทธเจ้ารู้หลอวพุทเจ้าตอนนี้ยินพระสาวบคุยกันท่านก็เติมให้เติมเติมให้แล้วพวกเรายังไม่เห็นเลยนะตรงที่รู้ทุกข์ก็รับสมุทัยแจ้งให้รวดเจริญมากพวกเรายังไม่ถึงนะของเราแค่ว่าถ้ามีสมุทัยก็เกิดทุกข์ตั้งตุกเหมือนกันนะตั้งตุกตามชั้นตามภูมิค่อยรเรียน วิธีเรียนก็คือรู้กายรู้ใจไปแต่ว่าพอรู้กายรู้ใจสุดขีดแล้วนะปัญญาของเราก็ไม่เท่าที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกหรอกเราก็จะรู้ทีกเดียวส่วนเดียวไม่มีนักปฏิบัติคนไหนที่รู้ตัวถึงพระไตรปิฎกอย่าริ้งพระไตรปิฎกนะไม่มีขนาดพระสารีบุตรยังรู้ไม่หมดพระไตรปิฎกเลยอย่างพวกเรายิ่งไปกันใหญ่ ถ้ารักษาเป็นปริยัติจำเป็นนะอย่าทิ้งปริยัติทีเดียมถ้าทิ้งปริยัติเหลือจะนักปฏิบัติเริ่มตีกันไปเพราะนักปฏิบัติชอบตั้งศับพท์เองถ้าบัญญัติศัพเองนะเราพูดกันไม่รู้เรื่องหรือว่าทะเลาะกันแต่ว่าเราเรียนปริยัติเนี่ยเพื่อว่าจะได้รู้หลักปฏิบัติพอเรารู้หลักปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติสังเกตไปรู้กายรู้ใจไปพอปฏิบัติเสร็จแล้วต้องเทียบเข้าได้กับปริยัติ ปริญญ์ขั้นเดิมนั้นไม่ใช่ปริญญ์รุ่นหลังๆที่แต่งๆกันขึ้นเองบานคนแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะเนี้ยรนะุ่นหลังๆมันอัตโนมัติแต่งเองธรรมะมันเหมือนเนื้องอกนเะยอะเลยรุ่นหลังๆนั้นเรามีโอกาสเราก็เรียนถ้าใ่ปีตจกว่าไงอัจฉริยาว่าไงแล้วคุณนีนะ่คุณตำรกจเนี่ยชื่ออะไรหลวงพ่อลืมไป ทคหืมี่งงมรงกนะันะ่าเดาามว้าอไรเราไรวันนี้รนนทำไราอรันาะาะรนราอไรรารับเาทไารนี้าาวันนีราทาวนี้ะไรอไันี้ริงำอะไรเาทำอะไรวัน้าทะเาะันี้ราทอะราะรันทเัน้ราทอาทรัน้ทะไาทันี้เาอวันนราทำอไานเทำไน้วนรทําสมะราทำราั ตนไหนควรทำที่ศาสนาก็ทำแต่ว่าจะมีจุดต่อนอันหนึ่งเราเห็นว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเราที่เป็นคนละส่วนกันถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าการปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งการดำรงชีวิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรายังห่างต่อมรผลในชีวิตนี้แต่ถ้าเมื่อไร่เราเห็นว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอันเดียวกันอยู่ในครอบครัวมีปัญหากับแฟนบ้างเพียงบ้าง ลูกเป็นอย่างนั้นลูกไม่สบา ย, ยนี่ปฏิบัติได้หมดเลยไม่ได้เว้นวักนะมันเว้นรักเราเว้นวักเฉพาะตอนที่เราต้องคิดงานมีเรื่องต้องคิดอันนั้นทําไมต้องเว้นวักเพราะในขณะที่เราคิดเรื่องงานเนี่ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้มีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งเรียกคำมนิยามคือกฎของธรรมะบอกว่าจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องที่คิด เรื่องราวที่คิดเนี่งเราทํางานเราต้องคิดเราไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรีว่ารู้อารมณ์ปั่นจับจะรู้การรู้ใจไม่ได้นั่นเป็นธรรมดาเลย่เวลาตั้งใจทํางานคิดเรื่องงานคิดไปนะมีสมาธิมีสติมีปัญญาในการทํางานจดจอ่อแต่ว่าพอทํางานไปแล้วชักเครียดมีเครียดไม่ใช่งานนะมีสติรู้ทันหรือทํางานไปประสบความสําเร็จผู้บังคับบัญชาชมดีใจรู้ว่าดีใจ ถ้าไม่รู้เดี๋ยวหรือถูกตำหนิทีเตียนเสียใจหรือว่าเสียใจเรื่องการใช้ชีวิตกับการปฏิบัติธรรมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อสักเดือนสองเดือนก่อนนะมีหนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าเดินตรงกลุ่มเนียเดิยงอยากเดินตรงกลุ่มเรีนนั่งอยู่ตรงแถวที่สามนี่ยหพอบอกกล้าวม า, า, าเดินโชว์ไหม mm hmm. วันนั้นคนเยอะกว่า น, นี้อีกนะคนถึงประตูหลังเลยเต็มห้องเลย ต้าเรียกให้ตอนนี้ออกมาเดินโชว์หลายคนจะไม่กล้าใช่ไหมไม่กาเดินเดินเด้วแกล้งขากิดนี่ไอหนุ่มนี่ใจถึงนะแหวกคนออกมาเด็ย่องย่อย่องออกมาย่องมาถึงตรงนี้เราต้องหยุดตอนตอนที่เดินออกมาเนี่ยขาดสติไม ong, ่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรนะคิดจะย่องลูกอยู่เลยนะอย่างกับพวกย่องเบาย่องย่องย่องออกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรข้าอะไรก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติ ตอนนี้เป็นเวลาเดินไปนเข้าที่ปฏิบัติที่เข้าใจกิจเนี่การปฏิบัติยังไม่มีเว้นมรนะ์นั้นให้เดินต่อพอเดินเดินลงมาอีกนะพอมาถึงต้นทางเดินจนจบสิ่งแรกที่ทำคื อ, อเอาอีกแล้วกลับอีกข้างเลยนะทีแรกข้างหลงนะอันนี้ข้างบังคับตัวเองสุดตรงอยู่สองฝั่งเนี้ยแล้วเ ม, ไไมื่อไหร่จะเข้าถึงสัมมามันทำแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้า ม, มทำแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้าม เพราะฉะนั้นการเดินจยกลมนี่แท้จริงอยู่ทุกก้าวที่เดิ น, ร, ดนดรู้สึกตัวเดินด้วยความรู้สึกตัวแล้วแหละนั่งอยู่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่เราก็เรียกนั่งปฏิบัตินั่งทําสมาธินั้นนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีการปฏิบัติได้นะเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงๆฟังแล้วไม่เข้าใจเลยฟังแล้วงง ง, งงรู้ว่างงปฏิบัติเสร็จแล้วง่ายขนาดนั้นเนี่ยง่ายเป็นยากเพราะเราเรียกไปถึงใช่ไหมแจ็๊ หลวงพ่อบอกมันง่ายนะแจ็ค ก, ก็ดินด้นดินด้นดิน้นแทบตายดิ้นแล้ววันหนึ่งอมันอยู่ตรงที่ไม่ได้ทําอะไรนี่แหละถ้าลงทำก็เสียถ้าไม่ทําดีก็ทําชั่วก็ปลุมดีปลุมชั่วไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะแจ็คเมื่จะเข้าใจธรรมะคอ่เราปรับปามไน คือควารู้สึกตอนตนที่ดมันมีสามอย่างที่เกิดขึ้นหือนันคือบางครั้งุกเฉนเราเราเห็นตัวเราคนเดียวแล้วก็รสึว่านขาท้เราไปไปดีกก็ความความรู้สถึงนั้ก็รู้ามันมีเยอะงหญ่ตัวเองเราเล้แต่ควาไม่ทราบว่าการทำถึนี่บางครั้งเป็นเราไปทําที่ัวเอเป็นเองหแล้ว เป็้านสติตัวจริงเกิดนะั้นจะเป็นอย่างนั้นพอสติเกิดนะั้นเราจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวทํางานนะรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเราจะเห็นว่าเวทนาคือความสุกความทุกข์ทั้งหลายเป็นแค่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นว่าจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นว่ากระทั่งตัวจิตเองเดี๋ยว่าเกิดท้าตาบางทีก็เกิดที่หูบางทีเกิดที่ใจไปคิด แราจะเห็นว่ามันเหมือนเราไปดูอะไรอยู่แล้วกำเราดูละครโงหนึ่งนะละควรโรงนี้มีตัวหละครหลายตัวคือร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไปความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็แสดงบทบาทของมันไปบุศรนอเุศลก็แสดงของมันไปใจเป็นเป็นคนดูก็ทําหน้านที่ดูไปคนทั่วๆไปมันใจมันจะไม่ทําหน้าที่ดูอย่างเดียวมันจะเข้าไปแทรกแต่งแต่ถ้าใจเราไม่แทรกแต่งมันจะเห็นเลยคันห้ามมันกะจายออก กรจายอรู้สึกไหมมันเหมือนอยู่ห่างๆนะแล้วแต่ละตัวก็ทางานของมันดีแล้วทถูกแล้วือนที่ยงคออเห่งมอารันเหมือนตนะครับก็คือพอ้ยๆคล่าึกถงนี่สสเลยบางครั้งเราเราเราราไม่รู้เราไ่ได้เห็นแตเราต้รู้ว่ามันกำมา ไ ม, ไม่ต้องอไม่ต้องสนใจนะเวลาสภาวะธรรมเกิดเนี่ไม yeah, ่ต้องใส่ยี่ห้อให้มันมันต้องไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อขอให้เห็นสภาวะเท่าในตัวธรรมจักกับวัตนะสูตรท่านจะสอนบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรนะไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อเอนก้มีสภาวะมันคือของดูเรื่อยเรื คมมันกเกิดคล้ายความว่างขึ้นมามันมีความว่างที่ความวหแล้วมันลงอคือว่างดขึ้นวันอะไรก็ลยมีความสผมทาบว่าที่จว่างลงที่เราดูตัวี่ต้องผมีไม่้าใอถ้าเราดูไปแล้วมันว่างถ้ามันว่างของมันเองนะไม่เป็นไรอย่าเป็นจงใจทาความว่างขึ้นมา แล้วพอมันว่างแล้วก็อย่าไปจงใจรักษาไวา้หลายคนเข้าไปอยู่ในความว่างไป น, นอนนิ่นงๆอยู่ข้างในทะ น, นั้นใช้ไม่ได้เน้นเรากัดูความว่างที่เกิดขึ้นมีสถานะเข้าเทียมกับความรู้สึกเกัยเดือดเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นสิ่งที่ผ่านมาให้เรารู้เท่านั้นไม่ใช่เพื่อเอานะเน้นอะไรเกิดขึ้นนะความว่างชนิดนี้เป็นความว่างที่คู่กับความวุ่นวายตรกข้ามกับความวุ่นไม่ใช่มหาสุนตตา มหาคุย า, าเป็นหนึ่งเดียวรวดอันนี้มีคู่คู่ออกับความวุ่นเงั้นไม่ใช่เอานะเวลาเร า, าปฏิบัติมาครั้งจิตก็ว่างๆไปว่างก็อยู่กับมาณรู้มันไปแต่ไม่เพื่อเกินยินดีไม่ติดอกติดใจในที่สุดมันก็สแสดงใจรักมันเสือ่อมันดับเหมือนกันแต่ถ้าเราไปตรึงความรู้สึกเข้าไปในความว่างมันจะว่างคาอยู่นั่นนะว่างอยู่ได้เป็นปีๆเลยอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นจะติด ก็ตามาม้เหมือนที่มันเหมือนที่มันเป็นอารมณ์มห ร, ณรือกิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเองอก็อที่ที่เราดูน่ตัวเรายจอราสุดแล้วนะนับหนึ่งไว้นับหนึ่งลูกเดียวนะอาจารย์สุรพัฒ์แต่งนับถึงปเป็นเร่อเรื่องนับหนึ่งไม่ต้องนับสอนนะทุกวันนับหนึ่งไปคือรู้กายรู้ใจมีแค่นี้ไม่มีอันที่สองการปฏิบัตไิไปนไม่มีอะไรซับสอน มีแค่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองมีรู้กับไม่รู้เท่านั้นถ้าไม่รู้ก็ปรูกแต่งหลายแบบเช่นเสิอไปเลยหรือไม่ก็ไปเพ่งเอาไว้ถ้ารู้ก็คือรู้นั่นแหละแต่รู้ก็ไม่เทียมไม่ใช่ฝึกเพื่อเอารู้นะแต่ฝึกเพื่อให้มีรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้รู้จากความไม่รู้ก็คือย่างนะสมมติในห้องนี้ทุกคนทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อนะชั่วเท่ากันหมดเลยในห้องนี้จะไม่มีคนชั่ว เาทุกคนจะรู้สึกว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยคนดีแต่เกิดมีคนหนึงดีเด่นขึ้นมาสูงขึ้นคนเบอร์เจ็ดดีขึ้นมาคนเดียวที่เหลือช่วหมดเลยความหลงนี้ก็เหมือนกันแต่เดิมเราหลงตลอดชีวิตเราไม่รู้ตัวหรอกว่าหลงแต่พอเรามีสติแว บ, บเดียวขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาหลงอย่ีมตำรวจเนี่ยสติมันเกิดแล้วมันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่หลงพ่อกแกล้งมันรู้หรือ ย, อยังว่าตลอดชีวิตเนี่ยหลงตลอดเลย เดที่หลวงพ่อพูดเสียงดังได้นะแต่ก่อนต้อค่อยๆกระซิด บ, บ, บอกคนชอบมึนนึกว่าหลวงพ่อแกล้งว่าโอ้พูดซื่อๆเลยนะ ใ, นใครเขาพูดซื่อๆเท่าหลวงพ่อหายากนะพูดธรรมะแบบตรงไปตรงมาให้ฟังในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงเวลาพันนึกว่าเรารู้สึกตัวคิดว่าถ้าไม่รู้สึกตัวก็ทํางานไม่ได้เดินไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ขับรถไม่ได้ไม่ได้เหมือนความรู้สึกตัวโลกโลกหรอก แต่ ใ, ใจนั้นมันหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาแต่ถ้าเราหาคารู้สภาวะไปเรื่อยนะใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็ น, นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆในที่สุดสติมันเกิดนะใจมันจะตื่นจะรู้เลยว่าที่ผ่านมานั้นมันหลงจริงๆไม่ได้หลงข้อแกล้งว่านี่เราตื่นขึ้นมาได้เราจะเอาความตื่นหรือเปล่าไม่ใช่เราจะเอาความจริงเราไม่ได้เอาความตื่นเราไม่ได้เอาอะไรทั้งสิ้นนะต้องการแค่เห็นความจริงเท่านั้น ความจริงก็คือความหลงเราก็ห้ามมันไม่ได้ความตื่นเราก็สั่งให้ตื่นไม่ได้ตื่นแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ทุพันธุือกไหมตื่นแล้วรักษาไม่ได้ทุกอย่างมีแต่สองที่เกิดเราดับทั้งสิน้นถ้าเห็นอย่างในี้ใจถึงจะค่อยๆวางปฏิบัติใจเราพ้นทุกข์เพราะจิตปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เข้าไปบังคับจิตให้ดีไปบังคับจิตให้สุขให้สงบบังคับไม่ได้แต่ถ้าสติก็เป็นอนัตตา สังให้เกิดก็ไม่ได้นะบางคนชอบกําหนดนะคิดว่ากําหนดแล้วสติจะเกิดถ้ามันเกิดได้ตามใจชอบมันจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาสติคือความระลึกได้อะไรทําให้เกิดระลึกได้ระลึกได้เพราะจำได้เช่นมันจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปัป๊บจะระลึกได้ว่าเผลอแล้วเวลาฟังหลวงพ่อพูดนะมาฟังที่ที่บ้านกับฟังที่วัดหาประโยชน์ที่ต่างกันนะ มาฟังต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยฟังหลวงพ่อแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจฟังแล้วใจนิ่งนิ่งรู้ว่านิ่งนิ่งบาคนฟังแล้วโมโหรู้ว่าโมโหมาอยู่ตอหน้าหลวงพ่อพยายามหัดรู้สภาวะไว้ไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องมีีดีแจกเอ้ไปฟังที่บ้านนะจะฟังให้รู้เรื่องแค่ไหนก็ได้แต่รับรองว่าฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอก เพราธรรมะ ม, มั น, มนไม่ได้รู้ด้วยกันฟังธรรมะรู้ได้ด้วยวิธีเดียวเข้าไปเห็นของจริงเนี่ยความสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ช e. ั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวมีแต่ชั่วคราวหมดเลยยืนก็ชั่วคราวนะนั่งนอนก็ชั่วคราวมีแต่ชั่วคราวหมดเลยค่อยไปดูของจริงอย่างนี้เราจะรู้เลยตัวเราไม <c ười> ่มีเมื่อไหร่เห็นว่าตัวเราไม่มีได้พระโสดาบันโสดาบันลากความเห็นผิดเมื่อมีตัวเราแล้วรู้กายรู้ใจต่อพิจิต หมืดความยึดถือใจหมอความยึดถือใจนะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์เพราะความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายที่ใจนี่เองถ้าวางปล่อยวางกายปล่อยวางใจไปสทุ๊ก็ไม่มีที่ตั้งตัณฑสติเวทเป็นไงหายเป็นนาบ่อยนะแล้วนึกว่าหลวงพ่องานไม่เยอะก็เหมือนเหมือนไม่ได้อา พอหลไม่เปลี่นเลยครับรูู้สึกว่วนาพอภาวนาไม่ต้องเป็ี่ยนก็ได้นะช่วงนี้รู้สึกว่าภาวนาไม่ได้เลยรู้สึกภาวนาไม่เป็นรู้ว่าภาวนาไม่เป็นรู้ว่าอยากจะภาวนารู้ว่าใจที่สุขสับสนระเกอยากภาวนารู้อย่างที่มันเป็นตั้งไงพู่อ่ะพุเป็นไงปฏิเวกไม่มีอะไรหรอกจิตมันยังมีแรงจิตมันกระจายไปนีอ่ะไหม ติดมันไม่ตั้งมั่งใจนิดนึงทำในรูปแบบเพิ่มขึ้นนิดนึงทำสรรพสัมว์นิดหน่อยแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นเดี๋ยวม่ก็มีแรงขึ้นเองไม่ได้เสียหายอะไรทีแรกพื้นฐานดีอยู่แล้วมาพูหลงบ่อยหรือหลงนานหลงนานมันไม่บ่อยถ้าหลงนานมากนั้นหลงวันหลักครั้ง เออดีที่รู้ทันนักปฏิบัติทั้งหลายครับพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอก็แทรกแตงพอรู้ว่าโรดก็แทรกแตงนะพอรู้ว่าโลคก็แทรกแต่งมีแต่แทรกแต่งที่ต้องแทรกแตงเพื่อใบลายของนักปฏิบัติคิดว่อนักปฏิบัติคือนักทำต้องทาอะไรที่ไม่เป็นธรรมดาเมื่อสามปีก็มีคนดีที่ดที่สือู้ที่ คือเดี๋ยวเป็นแต่บาที่ีช่วงน่ทำให้เราเฉลยเฉแล้วกาัาว่าเาดม่อะไรทไม่ดีกาี่คือเออแลรู้เลยว่าทำอะไรไม่ได้จริงเราอไรวัดว่าไม่ดีอ่ะเออเปลินไดีที่ ต้องขยันแข่งข ง, งน า, านการปฏิบัติเหมือนพายเรือตือ น, น้ําถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะมันลอยหลังมันไม่ได้อยู่ระบที่แล้วต้องมาเริ่มต้นสปีดใหม่บางคนพายไปแล้วเกือบจะข้ามแก่งได้รอบหนึ่งแล้วก็เฉื่อยลงแลยลอยหลังไกลมันดีคือดีมาพายใหม่นะมาถึงแถวๆที่เก่าพอแล้วขี้เกียจละไม่ข้ามไม่ได้สี กย่าเราาเรานความคิดว่าาตามรู้ความรู้สึกฝึกามรู้ความรู้สึกรมีีลนะการฝึกตามรู้ควรู้สึกนควรจะฝึกทุกวันวิธีฝึกก็คือแบ่งเวลาช่วงหนึ่งไว้พระสวดมนต์ทสมาธิเดินจงกรมหรือเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทํากรรมฐานนั้นไป เช่นเคยพุทโธก็พุทโธเ็ยหายใจก็หายใจเคยดูท้องฟองยุบก็ดูไปแต่ไม่ใช่ดูเพื่อให้มันสงบเฉยๆเป็นการฝึกซ้อมดูสภาวะแต่เช่นพุทโธหรือหายใจหรือดูท้องฟองยุบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตเข้าไปเพ่งลมเพ่งเท้าเพ่งท้องรู้เข้าไปเพ่งจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ ฝึกรู้ฝึกรู้สภาวะนะแบ่งเวลามาฝึกในรูปแบบนิดหน่อยถ้าไม่มีการฝึกในรูปแบบเลยอยู่ๆก็เจริญสติในชีวิตประจําวันกําลังไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นการทำตามรูปแบบเป็นเรื่องสาคัญนะเป็นเรื่องจําเป็นเหมือนนักมวยนักมวยถึงเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องซ้อมชกนะทุกวันต้องไปชกกระสอบไปกระโดดเชือกไปวิ่งอะไรมันต้องทําอะถ้าไม่ทําแล้วมันออกหมัดช้า นะักปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราไม่ซ้อมปฏิบัติในรูปแบบเพื่อจะหัดดูสภาวะสติจะเกิดช้าแค่แค่ออกหมัดช้ากิเลสมาทั้งหลายชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นเลยออกหมัดช้านัาง่งนังอยู่นั่นเลยยังต้องตอ้อมนะซ้อมแล้วจะชำนิชนานกิเลสไหลมาแวะสติเกิดเลยคุณเฉลิมโกเป็งังชงนกาเกิไมเออ จิตขนานี้เป็นไงคุณหลวงโตคือเราไม่มีโมหะเลยนะมีความมัวแทรกอยู่ในจิตนิดนึงหรือล่ไหมห้ือเปล่ใช้ได้เบอร์สี่สิบนี่แหละข้างหน้านีเนบ้าเลยถึงบ้านอยากแตพ่อคือเหนกรบอกาพเออกไ้วมีต่ว่ารูตัวตว ถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ว่าอยากนะไม่ปิดเกลียดมันแต่จะไม่แน่ น, มนไม่หนักไม่อึดอัดแต่ถ้าอยากให้มันหายนะปิอดอัดหรืออย่างเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วอยากรู้สึกเรื่อยๆเป็นอึดอัดมีความอยากเกิดขึ้นอะไรฟันทุกขก็เกิดไว น, นั่นเลยนี่ฟันทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมก็อยากหายอีกแล้วเออยากหายแล้วไม่ได้หายอย่างใจนะก็บูโหว กิเลเรียกเรียนทางานในใจเราไปเรื่อยๆนะให้ค่อยรู้วที่ทาอยู่พอใช้ได้แล้วมันเห็นและเห็น <Punch> ก <iso> ิเลสเห็นอะไรมากุดติมสกันบ้างคือผู้หล่มนมราเขา่แล้วที่ไ้พบอาาราบามคนทีไป่ไสือบ้านก็อิตองีมา คือตองเป็นแม้ว่าทุกเหตุารณ์ม่ถวาเป็นความหมที่จาาท่บอกว่าทก่เข้าไปได้ก็ยยมนอแล้วก็ดูตวราที่อยากให้เกิดขึ้นเือคาเาเข้าดู้เ้ื่ามัีแคดีเดีแต่ว่าตอนนี้จิตูงต้านเกินไปนิดนึงดูอกไหมมันคงต้านดูวอกไหเออใช้ได้ บนเตียงแล้กจะมีกระต่ายทีนอยู่ที่านเชื่อที่บ้าตต่ปเคย็นใาิที่เด่ามดกระตุกกไปแต่ว่าไม่ไม่ต้องตั้งแต่ปีหนึ่งมดกระตไปเรียนภาษาไทยใช่ไหเพื่อบาทีใวิตการงานหอว่าชีวิีอยู่ี่้านอะไรแบ เพิ่มไปทีเลยเมื่อเขาปุ๊บจะเห็นวามันแบบเยอะตอนรับเขาก็อย่ที่เมก้ก็ประดุจถ่ยแต่เมื่อที่ประดจถ่าบก็ก็จนต่าตเราเราัมับก็อยู่ตรงตรงที่เราตั้งรตรงตรงนี้นึกแบที่อยู่ตรงนี้น่ะตอนนี้กรับอยู่รู้สึกไหมว่ายรับอยู่ มันยังไม่เต็มที่ใ น, นะนไม่หมนกับที่ที่ตาที่ที่เห็นว่าตาจะป็นแบี้ีการมีความรู้สึกว่าเหือนัว่าตนจะไปต้นเคอกับกับเหมือกับมัหลบ้าไปหลบไปมาเจออะไรกอก็จะไปบไปหลอนเป็น่พอตวกนา้นก็ไ่ยูาร์อใตัวที่เราเลไปกจะไปสับพับสับพว่าตัการหรืว่า เกลีอะไรตามตามาพลักษณ์ของจิตจิตใจมันจะหาความสุขมันจะหนีความทุกข์พอมันไปกระทบความทุกขนะมันถลอกเ้ไปแช่อยู่ท้าไหนแค่หนีใจยังติดกันหลบเข้าไปนะดูอกไหมแต่ทั้งขณะนี้ขณะนี้ไม่ได้รู้สึกตัวเต็มที่หูอกป่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมันมัวใช่มันโมวหมั่วมัคือ มันมีโมหะเพราะงั้นจิตอย่างจิตขณะนี้เกิดความสงสัยหรือทราบไหมครับแม้เราจะไม่เห็นสัาวรรมเพราะมันมีโมหะแต่ถ้าเราเห็นสัาวะตรงความเป็นจริงนะมันจะไม่มัวแล้วจะสว่างขึ้นมาเลยหมืนายล้หายมากกว่าเมื่กี้แล้วแต่ยังเกิดความอยากรู้ขึ้นแทนหรือออกไหมครับเห็นไหมความอยากรู้เกิดขึ้นเรามไม่เห็น ผมจะตามหามันเอเนี่ยเที่ยวไปหามันรู้ว่าไปหาครับ้รู้ลปัจจุบันเลยเนียตามหลังครับเด่กใจลอยแปบไปแล้วทราบไหม่ไปอีกแล้วรู้สึกไหมเด็ไปอีกแล้วรู้สึกไหมชักงงแล้วรู้สึกไหมอ่าชักงงแล้วเห็นไหมใจิตมันเกิดมักระโดดไปตือตืแป๊บติ๊ไปเลยครับรู้ทันหรือเปล่ เห็นว่าแบบมนเ็นว่าเกบ่อยครไม่เป็นไรเกิดบ่อยได้แต่ว่าไม่ใช่ไหลแวบไม่ใช่เกาะนานๆไหลไปอย่างเงี้ไหลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจมอยู่ในความคิดหนึ่เออเราไปได้ครอจิจิเบอร์หเบอรห้าอ้โหเดียวเีเอาไ้ากลับไปดูที่หนา ว่ามันก็มีคนคนคนคนตแล้วคือหลวงพ่อนะปฏิบัตินะไม่จําเป็นต้องดีนะบรรย์กิเลสได้ปลูกกับสภาวะที่กําลังเป็นแค่นี้พอใจแล้วเพราะไรเพราะเราเรียนเรื่องสภาวะเรียนว่าจริงจริงเนี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองกันกายกันใจถ้ารู้ทานสภาวะต่อไปจะเห็นในทุกอย่างของโชื่อเปล่าทุกอย่างแสดงไตรลักเห็นมากเข้ามากเข้าใจก็จะปล่อยวางได้เมื่อสามเป็นเงิน มันยืดห่้มัะ่นไปแล่เออตมันวจะานกดอขึ้นได้ไหมาใจเราอยู่แล้วนี่ก็ดูไปดูความเปลี่ยนแปลงในใจเป็นกรรมฐานอยู่แล้วอันนี้สิ่สองคนทาใช้ได้แล้วนีดีแล้วแกจะตื่นึี่มันเป็นดีดีแล้วแล้วเบอร์สองเนี้ยี่น พยายามให้น้อยลงนิดหนึงหงนน่งนะจงใจนิึมันจงใจจงใจน จ, จงใจเกินไปนิดหนึง่งถ้าจงใจละใจก็คือรูอ้สึกไหมใจจะนิ่งนิ่งคื้อคือหนนิดมันเกินธรรมดาตปิว่วรู้สึกายได้จทำใจได้ใพื่อคอื่นคือถ้ามาต่ออยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีคับมุข รู้สึกกับอะไรดีชอบถึงชอบตก็น่ะคุณนี้ละ่ะมาจากไหนห<ม>ลักการของการปฏิบัติไม่มีอะไรเยอะหรอกนะ<ม>เราจะเรียนรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ดัดแปลงนะนั่นมันจะมีตรูของการรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจสองอย่าง อันหนึ่งใจลอยรู้แต่ใจลอยไหมอย่างเมื่อกี้เรารู้ว่าใจลอยรู้สึกไหมเหมือนมันตื่นขึ้นมาตอนที่ที่รู้ว่าใจลอยมันจะตื่นตอนนี้มีไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจลอยไปคิดนล้วเรารู้ทานแล้วจะตื่นขึ้นมาแต่ตื่นได้กีละแแบบนะไม่ใช่ว่าจะต้องตื่นนานๆตื่นแบบเดียวนี้ก็พอแล้วมันจะเห็นเลยไหมเมื่อกี้เหลอตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้เหลอตอนนี้รู้สึกเห็นอย่างนี้เรื่อยๆ ในที่สุดปัญญาี่เกิดจิตจะเผลอห้มันไม่ได้จิตจะรู้สึกสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ในตอนเนี้แอกไปคิดอีกแล้วทราบไหมนี่เรียนเพื่อให้เห็นของจริงนะนี่นะนเราฝึกแปลงเนี่ยคอยดูใจเราแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมพอเข้าใจเงี้ยนั่นแรียกว่าพอใจไหลแว บ, บไปเรารู้สึกไหลแวบเรารู้สึกแล้วรู้ยแบบแรนะอย่างนี้รู้เรื่อง่แไปบังคับมันด้วย คนส่วนใหญ่ใจหนีไปแต่เจ้าตัวไม่รู้หนีไปเป็นวันวันเลยหนีไปตั้งวันเนี้ยหนีไปแบบเนี้ยหนีไปคิดไปเรื่อยๆนะรู้เรื่องที่คิดนะบางทีก็รู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจสังเกตไหมตอนที่เรารู้เรื่องที่คิดเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจในขณะนี้ลืมไปอีกแล้วรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะจำไว้นะเราจะฝึกจนเรารู้สึกตัวได้บ่อยน รู้สึกตัวบ่อยเราเพิจะหลงบ่อยเขือแวบรู้สึกแวบรู้สึกรู้สึกจะเห็นหมันมันไม้เที่ยงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเขือเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเขือไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้เรียนทําอะไรนะนี่เห็นไหมคำว่าปฏิบัติคือการทำเนหะ็นไปฏิบัติไม่ได้แปลว่าทําอะไรแปลว่าถึงเฉพาะถึงไปรู้เฉพาะหน้าตามที่มันเป็นมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น เหตุตอนนี้ฟังหลวงพ่อพูด้วฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังแล้วก็คิดไปแล้วก็คิดให้รู้ทันจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ถ้ารู้ทันจิตตัวเองทําอะไรอยู่แต่คิดเนี้ยทําอะไรนึกออกหรือยังหลงไปคิดไหมจิตมันหลงไปคิดเพื่อให้รู้ทันเลยนะจิตมันหลงไปฝึกให้ได้นะหลงให้ได้ชั่วโมง ล, ละร้อยครั้งนะ ถ้ลงได้ชั่วโมงละร้อยครั้งไปเก่งเลยไปมีป้าคนหนึ่งมาเรียนสากอนะวันแรกนะหัวโตกับเป็นองงงหังไม่ดูเรื่องเลยวันที่สองป้าหลวงพ่อไปนานเลยนะเห็นแล้วท่านกับไปท่านเป็นนั่งขยับนิ้วขยับกระทบไปเรื่อยกระทบกระทบแล้วป้าใจลอยโอ้ใจลอยไงล่ละรู้ว่าใจลอยกระทบกระทบนะโอ้มาเพ่งใส่นิ้วแล้วรู้ว่าเพ่ง ถ้าเขไปแล้วมีความสุขก็รู้เป็นสุขก็รู้แต่ท่านพบว่าในเวลาทุกโมงหนึงเนี่ยท่านใจลอยร้อยกว่าครั้งแล้ท่านเห็นว่าชั่วโมงหนึ่งใจลอยร้อยกว่าครั้งท่านเลยตื่นขึ้นมาเข้าใจแล้วการปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรจิตหลงไปก็รู้พอรู้ได้ภากเดียวก็หลงใหม่ทั้งรู้ทั้งหลงล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่เห็นถึงขนาดนี้นะภาวนาเก่งได้ไดเลย ไม่ใช่ฝึกก็ไม่ให้หลงนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะรู้ตัวตลอดเวลาจะรู้ตัวทีละแวบเดี๋ยวเพจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้เมื่อกี้หลงตอนนี้รู้ฝึกไปนี้เรื่อยๆใ่สุดจะเห็นไลยทั้งรู้ทั้งหลงเพรู้แต่ของไม่เที้ยงรู้ทั้งหลงรู้แต่บังคับไม่ได้จิตที่หลงไปก็เป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้เป็นตัวแทนของกุศลทั้งกุศลแวะอกุศลรู้แต่ไม่เที้ยงมันแต่บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ แต่แอบไปทําอะไรทรบาบไหมดูออกเพียงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเลยดูออกเัียยงไม่หลงเข้าไม่ได้แกล้งว่านะพอรู้ตัวเป็นขึ้นมาเนี่ยจะรู้เลยตลอดชีวิตที่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยแล้วคนทั้งหลายหลงตั้งแต่เกิดจนตายด้วยน่าสงสารที่สุดแต่ก็ได้แต่สงสารนะไ้ารู้จะช่วยอะไรต้อ ง, องอช่วยตัวเอง มีจิช่วยตัวเองที่แนะนำนะซีดีผมก็ไปฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปใจเราฟังแล้วงงงรู้ว่างงฟังแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจฟังแล้วเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอยังไงฟังแล้วคอยรู้ใจไปฟังแล้วก็อยากตั้งใจดีไปให้คนอื่นฟังแล้วเก็บไว้ก่อนอีกสองเดือนมาฟังใหม่ถ้าคนไหนหักรู้หัดดูจิตใจตัเองฟังครั้งที่สอง เว้นช่วงเดือนหนึ่งมาฟังทีหนึ่งไม่พบว่าความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกซีดีลงพ่อคราบค้าเลยนะฟังหลายครั้งก็เข้าใจไม่เหมือนกันหรอกแต่ต้องปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติก็เหมือนกันน่ะคือไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยแต่ถ้าหาัดรู้หัดดูนะหัดรู้ใจหัดดูใจของตัวเรื่อยๆฟังแต่ละกตั้งความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันเรียนหลวงพ่อเห็นมาจริงๆ เห็นว่าจริงๆเลยตอนเด็กๆเราคิดว่าเรารูอา้อริยสัจเรารูนะ้น้ะตอนเด็กๆเรียนวิชาศิลธรรมสมัยก่อนมีวิชาศิลธรรมเรียนอริยสัจสีบอกว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่เราเรียนเราก็รู้เลยว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยนะพระพุทธเจ้า R, ไม่ได้สอนนะว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์เขาสอนบอกวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ในความเป็นจริงไม่มีคนมีแต่ขันท่าเป็นทุกข์ถ้าสอนจริงๆอย่างนี้เราก็ไปเห็นว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ยังนึนกว่าเข้าใจธรรมะพอเราศาึกษาปฏิบัติธรรมมากเข้ามาเข้าไปอ่านอริยสัจหน่อยอ้าวท่านว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ไม่มีคนทุกข์นะมีแต่รู ป, ปรนามกายกับใจเป็นทุกข์ความเข้าใจไม่เหมือนกันปฏิบัติไปเรื่อยๆเราเกิดความเข้าใจว่าถ้ามีตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ ก็เข้าใจถูกเหมือนกัน่ยใจเราเกิดความอยากเกิดการที่ดุ น, นก็มีความทุขขึ้นถ้าวันไหนไม่อยากไม่ดิ้นนะก็ไม่สุขเราก็คิดว่าเราเข้าใจธรรมะอีกแล้วเข้าใจอริยสัจนีกหล้วภาวานาไปนานๆนะเรงศึกษาอริยสัจอีกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพระพุทธเจ้ า, าไม่ได้สอนเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างท่านบอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เราเห็นม่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ได้เข้าใจเลยนะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ท่านบอกเลย หัดกันนานหัดคอยรู้กายหัดคอยรู้ใจวันหนึ่งค่อยเห็นว่าเออกายนี่ทุกข์ลวนลวนเห็นได้ก่อนนะมีแต่ทุกข์มากกั่ทุกข์น้อยฝึกไปนานเลยนะก็จะเห็นเออจิตนี่ทุกข์ล้วนล้วนนะมีแต่ทุกข์มากกั่ทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้ระว่ังระวังว่าเราคนทุกได้นะคนทุกข์ต่หน้าตาตาเหมืนคนทุกข์เพราใจเราหมดภาระไม่ใช่คนทุกข์เพราะว่าไปทําอะไรขึ้นมาได้การที่เราพยายามทําอะไรต่ออะไรวุ่นวายขึ้นในใจนั้นนี่แต่เพิ่มความทุกข์นะเพิ่มภาระ ถ้าเรารู้ทันใจรู้ทันใจว่าหนึ่งหมดการวินบโหนหมดความขิวกรกกรหายในจิตใจนะสบายหมดอาการคนพุกจริงๆแต่ธรรมะลึกนะค่อยๆเรียนค่อยๆฟังฟังแล้วฟังอีกนะเดี๋ยวเพิ่งจะไปให้ใครหนะ้าเอาให้ฟังเองก่อนซีดีหลดข้อนะต้าช้าเลยนะไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าหลดข้อพูดจริง เป็นยไงรักเป็นยงไงดีแล้วจิตจิตเป็นสบายขึ้นแล้วไปรู้ไปอ่ะขงโยมเป็นยังไงอ๋อไม่เป็นอะไรถึงจะไม่ไปนมัสการสังเวชนียสถานนั้นแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆก็ไม่ไปละรบเหมือนกันเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นกิจสอน ถ้าฝนเ่เรมยั้่ยมาั น, น, นา่นหมายถึงว่าจิตใจเนี่ยคอยรละลึกถึงนะจิตใจคอยรละลึกถึงพระพุทธเจ้า่เรื่อยๆกลับมาแล้วก็ปลื้มใจนึกถึงแล้วก็ปลื้มใจนเรื่อยๆแต่ถ้าไปฝังเวชนียสถานแล้วกลับมาทาชั่วตลอดยังไงก็ตกนรกฝังเวชนียสถานจะช่วยอะไรได้ ใจของเราตหาสร้างนารกให้ตัวเองหรือสร้างสวรรค์ให้ตัวเองสังเวชนียสถานเป็นแค่สิ่งที่เตือนใจสังเวชนียเป็สิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีสตังไม่มีเวลาจะไปนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆก็ใช้ได้ไปสวรรค์ได้เพราะมันเป็นพุทธานุสติเป็นคนมาชวนหลวงพ่อไปด้หลวงพ่อไม่อยากไปเลยที่เกลื่อนนั่งรถ เขโย้านพอเอมทให้เกิดาสวติให้เก yeah ิดสติทไงเให้เกิดสติสติเป็นความระลึกได้อย่างเราจะระลึกได้ว่าคนนี้มาเนี่ยเราต้องรู้จักคนนี้ก่อนแล้วเราต้องหาดรู้สภาวะโยมเคยฝึกกรรมฐานอะไรล่ะพองยุบโยมฝึกดูพางยุบต่อไปแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะให้รู้เฉยเยนะ แล้วก็ไปดูไปเดี๋ยวก็เห็นร่างกายคองเดี๋ยก็เห็นร่างกายยุบใจเราเป็นแค่คนดูต้องมีใจเป็นคนดูอย่าให้ใจไหลเข้าไปที่ท้องนะแใ่เป็นคนดูเดี๋ยวเราก็จะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะจําสภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวได้นี่สภาวะของรูปน ะ, ะแล้วถ้าจะจิตมันขึ้นวิปัสสนามันจะเห็นเลยรูปที่คองรูปที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างเนี้ขึ้นมาปอดถอนความเห็นผิด ว่ารูปนี้เป็นตัวเราได้เป็นวิปัสนานะอีกอย่างหนึ่งราดูฟองยุบไปดูฟองยุบจิตนี้ไปคิดเคยเป็นไหมฟองยุบไปแนละ้วจิตแอบแวบไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ให้รู้ว่าคิดให้รู้ว่าคิดไม่ห้ามนะไม่ห้าไม่ห้ามให้รู้ว่าคิดเนี่ยเราจะจําสภาวะจิตแอบไปคิดเป็นอย่างนี้เองนะดูไปเรื่อยๆจิตถลําเข้าไปอยู่ที่ท้องจิตเข้าไปเช็ครู้ว่าจิตเข้าไปเช็คให้รู้ทันนะไม่ห้ามแต่อย่าเพ่งนานนะบางคนเพ่งเป็นปีๆ ปวดเหรอปวดแล้วก็ขยับสนะักเปลี่ยนอิปิยาบทนะพอตอนทีเรานั่งแล้วมันปวดเราเรารู้ว่าปวดเรารู้ว่าใจเรากระวนกระวายเสร็จแล้วเราเปลี่ยนอิปิยาบดปุ๊บใจเราดีใจใจเรามีความสุขเราก็ดูทันนี่เมื่อกี้ใจกระวนกระวายตอนนี้ใจไม่เที่ยงแนละ้วใจมีความสุขถ้าหัดดูสภาวะดูไปเรื่อยๆทีแรกเราก็จะรู้จักสภาวะน้อยๆต่อไปเราก็จะรู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้น เช่นแต่แรกก็หัดมันจะเห็นแต่ของอยา่างเช่นต้องโปรยก่านมัจะเห็นต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วอย่างเรานั่งในห้องมืดๆอย่างนี้นะพอเราเปิดประตูไปแสงแดดจะเข้าเปลือกตาปฏิฆะความขัดใจเกิดขึ้นแล้วจะเกิดลำคาญขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเองค่อยๆเห็นนะค่อยๆเรียนสภาวะนะอย่างตอนนี้โยมฟังอาจามาพูดโยมรู้สึกไหมฟังไปคิดไป อ, ดอืม ไม่ไม่ห้ามถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องนะที่จริงเราไม่ได้รู้เรื่องเพราะฟังนะเรารู้เรื่องเพราะคิดเราฟังไปคิดไปเนี้ยใจลอยไปแว๊บหนึ่งทราบไหมไอ้ที่เนี้ยคืออยากจะฟังก็ติดตามรู้สึกว่าเขาอะไรตามเพราสติสติทีิสติเป็นคนตามรู้เพราะฉะนั้นสติจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็สั่งไม่ได้นะ แต่ถ้าจิตมันจำสภาวะได้พอสภาวะที่จิตมันจําได้เกิดสติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นใหม่ๆมันต้องเอาสติตัวเลกตัวเพาว่าสติธรรมดาสติธรรมดาไปตามรูปไปตามรูปก่อนนะเพราะฉะนั้นโยมดูความยูกไปใจลอยไปก็รู้ใจติดเพ่งไห้ก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้นะใจมันหงุดหงิดเพราะมันเมื่อยแล้วมันหุดหงิดแล้วรู้ว่าหุดหงิดหารู้ความรู้สึกเรื่อยๆพูง่ายๆนะหาดู้ความรู้สึกบ่อยๆ ต่อไปพระจิตมันจําความรู้สึกได้เราจะเจริญสติในชีวิตประจํำวันได้ยืนเดินนั่งนอนมันจะมีสติตลอดลที่วันรู้สึกมีมสังขารย่าเท่านั้นใช่แล้วใจจะตั้งมั่นนะสัามมาสมาธิก็เกิดแต่มันจะตั้งมั่นสติสัามมาสติกับ ม, มิจฉาสติไม่เหมือนกันสัมมาสติเป็นแต่ภาวะที่จิตไประลึกได้เป็นความระลึกได้มิจฉาสติเนี่ยโจงใจเป็นจ้องหรืไม ดวงใจกําหนดและสามมาสมาธิจะรื้อขึ้นมาเองถ้าพูดอย่างอธิธรรมมันคือจิตที่เป็นอสังขาริกรรมไม่ได้สั่งให้เกิดอีกอันหนึ่งดวงใจไปกําหนดไว้มันเป็นสังขาริกรรมดวงใจทํา น, นี้ไม่ใช่ของจิตได้ แ, แต่สมถะอันที่สองสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนสัมมาสมาธิ ใ, ใจจะตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองแล้วรู้อารมณ์อย่างสักว่ารู้เหมือนดู้คนอื่น เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภมันตกรธมันงดูอยู่ห่างๆแบบว่ารู้เหมือนเราดูละครอยู่นอกเวทีส่วนมิจฉาสมาธิมันจะระโจนเข้าไปรููมันจะเข้าไปตั้งไว้ที่ตัวอารมณ์การตั้งแนบเข้าไปที่ตัวอารมณ์เรียกว่าอารามานุปนิชฌานมีการเข่งตัวอารมณ์ยมรู้สึกไหมอย่างดูท้องเนี่ยใจจะแนบปิ่งที่ท้องที่เรียกว่าอารามานุปนิชฌานได้สมถะ จะเกิดปีติเกิดผลลุกเกิดอะไรพวกูวกบ้ๆที่เรีกว่าอย่างไม่ใช่หยาป็นนาการของสมถะแต่ถ้าสัมมาสมาธินี่จิตจะไม่ถล่มไปแช่ไปที่อารมณ์แต่จิตจะตื่นขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองเห็นอารมณ์อยู่ห่างๆนะสักว่ารู้สักว่าเห็นทำใจรู้เลยอารมณ์พวกนั้นไม่ใช่ตัวเรารอเองของแปลกปลอมผ่านไปผ่านมาหรือตัวปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดจากภาวนาปัญญาที่เกิดจากการคิดก็ไม่เหมือนกัน สติก็มีสองอันนะ ส, มสัมมาสติมิจฉาสติสมาธิก็มีนะสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิปัญญาก็มีนะปัญญาที่เกิดจากการคิดกับปัญญาที่เกิดจากการรู้ไม่เหมือนกันาการที่เราเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสัญญาจะเกิดจากการรู้แต่ถ้าเราไปโจงใจช่วยมันคิดนะไม่ใช่ของจริงถ้าเราตั้งใ จ, จง เ, ปเป็นิาหรเ่็นตั้งใจก็เป็ น, ปนตั้งใจจริงๆเป็นภาษาสุภาพ จริงๆคือโลภอยากอยากปฏิบัติถ้ามันมีความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นมันจะเกิดการกําหนดเกิดการเพ่งจ้องนั้นจะมีคำที่อยบทหนึ่งสอนบอกว่าสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกตัณหาคือความอยากปฏิบัติเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุแั่แค่เราจงใจปฏิบัตินะมันเจือด้วยโลภนะ ดังน้นโยมฝึกอันเดียวพอฝึกสัดรู้สภาวะหัดรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงใช่หัดทีแรกระจงใจรู้ไปนิดนิดนนะเอแต่อย่าไปจงใจจ้องถ้าจงใจจ้องมันจะไม่มีความรู้สึกมันจะนิ่งก็ไม่ต้งสงสัยถ้าไม่ใช่สติไปไปตามรู้เลย ก็หัดดูจิตแรกก็หัดรู้หัดรู้ไปไไเรื่อยจนกระทั่งจิตมันจำได้แล้วสติเกิดเองละตอนที่สติเกิดเอง เ, เป็นสติที่มีกำลังเบื้องต้นเป็นสติธรรมดาธรรมดาไม่มีกำลังจิตตาได้ดีนะโยมค่อยหัดแยกเขกกล่าวว่อ่ะวันี้เชิญเอาเอาว่าไรแจ็คอืมเออ ออยังมีลูกแล้วลมึงเนี่ยเออไปดูเอานะพ่อคุณเจ้าสอนไปแล้วอยู่ในเรื่องทิฏหกอ่ะไปดูเอาพ่อแม่ที่ดีมีหน้าที่อะไรลูกที่ดีมีหน้าที่อะไรไปอ่านานะอยู่ในเรื่องทิฏหกมันสอนสิงฆารามนกสิงฆารามนกเนี่ยสื่นช้าขึ้นมานะ้านําราดหัวให้หัวเปียกๆแล้วไปยืนไห ว, ว้ทิฏไหว้ทิฏอ่ะ ไห้ทิศ ต, ต่างๆพระพุทธเจ้าไปเจอธรรมะทำอะไรแบบพ่อสั่งไว้ให้ไหว้ทิศพุทธเจ้าบอกว่าในศาสนาพุทธในอาริยาวิไเนยทิศทั้งหกเนี่ยคือคนหกประเภทพ่อแม่ก็อยู่ทิศเบื้องหน้าไปดูเอานั่นคนะือข้อพระชักจําไปได้แล้วพอสอบนักบจำเสร็จก็ลืมเหมือนกันนลยเพราะธรรมะอย่างนี้เป็นธรรมะในขั้นจริยธรรม ทำมากขั้นจะได้จำ ต, าต้องจำจำเอา <c oughs> พ่อแม่ก็มีหน้าที่นะมีหนา้าที่ต่อลูกลูกก็มีหน้าที่กับพ่อแม่ถ้าทำหน้าที่ของตัวเองข้างเดียวอะไรเงี้ยอีกข้างหนึ่งไม่ทำเนี่ยสังคมก็ไม่สงบสุขอย่างพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกไม่แนะนำสิ่งที่ดีดีให้ลูกไม่ให้การศึกษากับลูกก็ไม่ทำให้ถูกหน้าที่ มีสุดท้ายให้มรดกด้วยนะนี่มีหน้าที่ให้มรดกด้วยแล้วลูกก็มีหน้าที่เช่นทําตัวให้สมควรที่จะรับมรดกไม่ล้านสารมรดกหน้าที่ของชาวพุทธต่อชาวพุทธต่อพ่อต่อแม่หน้าที่ของเราไม่ได้จบตรงที่คนหนึ่งตายไปอย่างพ่อแม่เราตายก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราหมดหน้าที่ของเราก็คือเราต้องทําความดีเราลึกถึงพ่อแม่ให้ได้รับส่วนบุญของเรา ถ้าพ่อแม่เราเลิกได้พ่อแม่ก็คลึ้น อ, อกครื่นใจมีความสุขว่า ล, ลูกเราดีเน้นหน้าที่ไม่ได้หมดแบบหน้าที่พลเมืองนะพอหมดพอตายไปค้ น, ค, นความเป็นพลเมืองก็หมดหน้าที่หน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยพ่อแม่ตายก็ยังมีหน้าที่ตั้งไปห่านเอาเองนะเรื่องที่หกวันนี้เชิญโยมกลับบ้านกัน